อริยศสตร์คือธรรมะที่นำเสนอเป็นระบบปฏิบัติการให้มนุษย์บริหารประโยชน์จากความจริงของธรรมชาติที่จริงสภาวะตามธรรมชาตินั้นในที่สุดก็คือกระบวนการอิทธิปัญญาตาปฏิจจสมุปบาทและภาวะเงือกระบวนการนั้นคือนิพพานเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงเป็นอริยศสต์ เพื่อให้เห็นขั้นตอนในการปฏิบัติของมนุษย์และเป็นวิธีสอนด้วยคือเป็นวิธีสอนที่จะให้คนเข้าใจได้ง่ายและเกิดผลในเชิงการปฏิบัติที่เราใจให้ทำตามและทำได้เป็นขั้นตอนชัดเจนอริยศัสตร์นั้นแท้จริงเป็นหลักของเหตุและผลธรรมดาเราพูดถึงเหตุก่อนเราจึงพูดถึงผลใช่ไหมจะให้สังเกตว่าพระพุทธเจ้า กลับทรงยกผลขึ้นแสดงก่อนและแสดงเหตุทีหลังทําไมจึงเป็นเช่นนั้นทุกข์คือปรากฏการณ์ซึ่งเป็นผลและสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์นั้นนี่ผลกับเหตุหนึ่งคู่แล้วนิโรธคือจุดหมายที่ต้องการจัดเป็นผลแล้วก็มัก คือวิธีปฏิบัติให้บรรลุจุดหมายนั้นจัดเป็นเหตุนี่ก็ผลกับเหตุอีกหนึ่งคู่รวมเป็นผลกับเหตุสองคู่นี่เป็นข้อที่น่าสังเกตเป็นการพลิกกลับกันกับความรู้สึกทั่วไปซึ่งมองไปที่เหตุก่อนผลตามปกติพระพุทธเจ้าก็ตรัสเหตุก่อนผลแต่ในกรณีนี้กลับแสดงผลก่อนเหตุ เพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องของวิธีสอนซึ่งต้องเริ่มด้วยสิ่งที่มองเห็นอยู่และต้องเริ่มที่ปัญหาก่อนเรื่องอะไรจู่ๆก็พูดถึงเหตุของปัญหาโดยไม่ได้พูดถึงปัญหาเป็นหลักของการสอนและการชี้แจงอธิบายว่าต้องเริ่มที่ปัญหาโดยชี้ปัญหาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำความเข้าใจปัญหาแล้วจึงค้นหาสาเหตุเสร็จแล้วก็ชี้ถึงจุดหมาย หรือสิ่งที่ต้องการแล้วก็บอกวิธีปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงจุดหมายวิธีสอนอย่างนี้เป็นที่เราใจด้วยพอพูดถึงปัญหาโดยเฉพาะปัญหาของตัวเองหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกระทบถึงตัวคนก็สนใจอยากจะรู้อยากจะแก้ไขปัญหานั้นเราจึงสืบสาวว่าปัญหานี้เกิดจากเหตุอะไร เมื่ออยากกำจัดเหตุแล้วพอพูดถึงจุดหมายว่าดีอย่างไรคนก็อยากจะไปถึงจุดหมายนั้นเราจึงบอกวิธีปฏิบัติถ้าเราไปบอกวิธีปฏิบัติก่อนวิธีปฏิบัติอาจจะยากมากคนก็จะท้อใจไม่อยากไปไม่อยากทำแต่ถ้าชี้จุดหมายแล้วพูดให้เห็นว่ามันดีอย่างไรใจเขาจะไฝ่ปรารถนา ยิ่งเห็นว่าดีเท่าไหร่ประเสริฐเท่าไหร่เขายิ่งอยากไปเขาก็พร้อมและเต็มใจที่จะทําพอถึงตอนที่เขาพร้อมเหล่านี้เราจึงค่อยบอกวิธีปฏิบัติไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้เขาสนใจตั้งใจเต็มที่แล้วเขายินดีพร้อมที่จะทําสุดแรงของเขาฉะนั้นหลักอริยสัจนี้จึงเป็นวิธีสอนด้วยพร้อมทั้งเป็นวิธีการแก้ปัญหา และวิธีปฏิบัติการในงานต่างๆวิธีสอนที่ได้ผลดีจะใช้หลักการนี้แม้แต่พวกที่ปลูกระดมก็ปล่อยเอาไปใช้ได้ด้วยทำไมจึงว่าในการปลูกระดมก็ต้องใช้วิธีนี้จึงจะได้ผลก็เพราะว่าการปลูกระดมนี้แม้แต่ที่ไม่สุจริตเขามุ่งแต่จะให้สำเร็จก็เอาวิธีนี้ไปใช้เพราะเป็นวิธีที่ได้ผล คืออย่างนี้ตอนต้นต้องพูดชี้ปัญหาก่อนเวลานี้มันแย่มีปัญหาทั้งนั้นมีความยากจนมีความเดือดร้อนอะไรอะไรก็ไม่ดีมันเลวร้ายอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าจะปลุกระดมก็ต้องชี้เรื่องที่ไม่ดีให้เห็นออกมาชัดๆว่าเยอะแยะไปหมดร้ายแรงอย่างไรต้องชี้ทุกข์ให้ชัดก่อนว่าน่าเกลียดน่ากลัวร้ายแรงจนคนไม่พอใจมากอยากจะแก้ไข พอชี้ทุกหรือปัญหาชัดว่าอะไรไม่ดีอย่างไรจะต้องแก้ไขแล้วทีนี้ก็ชี้สาเหตุว่าเนี่ยตัวการเจ้าตัวนี้หละตัวร้ายอยู่นี่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาเหล่านี้มันอยู่ที่นั่นถึงตอนนี้คนก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งใจก็เกิดพลังเกิดความตื่นเต้นเกิดเรี่ยวแรงกำลังขึ้นมาเราจะต้องจัดการกาจัดมาลนะเราเห็นตัวการแล้ว พอคนกระหายอยากจะจัดการแล้วก็ชี้เป้าหมายยังกับสมัยหนึ่งที่เข้าปลุกระดมกันบอกว่าโนนฟ้าสีทองพองอัมภัยหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งดีงามจะต้องเป็นอย่างนี้บัญญาให้เห็นว่าดีละเกินเลิศละเกินชี้ให้เห็นเลิศเลอเท่าไรดยิ่งดีจุดหมายนั้นต้องชี้ให้เด่นว่าดีที่สุดดีอย่างโนอนอย่างนี้ จนกระทั่งคนอยากไปละเกินยิ่งคนอยากไปสู่จุดหมายนั้นเท่าไรก็จะยิ่งเกลียดชังเจ้าตัวการนั้นและอยากกำจัดมันมากเท่านั้นคนไม่ชอบสภาพนั้นอยู่แล้วเพราะถูกชี้ว่าเป็นปัญหาพอชี้ต้นเหตุให้เห็นตัวการร้ายที่ต้องกำจัดให้ได้ใจคนก็พุ่งเป้าไปพอพร้อมอย่างนี้แล้วชี้จุดหมายที่ดีที่ต้องการเสร็จแล้ว ทีนี้ก็พร้อมเต็มที่เลยพอบอกวิธีปฏิบัติว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้วิธีปฏิบัติถึงจะยากก็ไม่กลัวเลยเอาเลยไม่ว่าจะยากอย่างไรก็เอาทั้งนั้นระดมกำลังทำเต็มที่มักมาได้เลยรวมความว่าอริยสัจเป็นหลักที่เชื่อมระหว่างความจริงของธรรมชาติกับปฏิบัติการของมนุษย์ ถ้าเอาความจริงของธรรมชาติแท้ๆก็คืออิทัปปัจจะาตาปฏิจจะสมุบาทและนิพานซึ่งเป็นแกนแท้ในแง่ของความจริงตามธรรมชาติล้วนๆแต่ถ้าพูดตามหลักความจริงล้วนๆแท้ๆอย่างนั้นจะยากมากพระพุทธเจ้าจึงทรงนำเสนอในรูปของหลักอริยสัจสี่เมื่อดูเหตุการณ์ตามลาดับก็จะเห็นชัดว่าหนึ่ง หลังตรัสรู้ก่อนจะเสด็จออกเดินทางสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงพระดำริว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้คืออิทัปปัชยาตาปฏิจเจสมุบบาทและนิพพานนั้นยากที่ใครจะรู้ตามได้จึงน้อมพระไทยจะไม่ทรงสอนและสองต่อมาเมื่อทรงเริ่มสอนคือทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐ ม, มเทศนา พระองค์ตรัสว่าตรัสรู้อริยสัจสีโดยทรงทากิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจสีนั้นครบบริบูรณ์แล้วอัตมาปรารพเรื่องเกี่ยวกับแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาหมู่แต่พูดคําปรารบเสนาณ์ก็เพียงเพื่อให้เห็นว่าเรื่องหัวใจพระพุทธศาสนานั้นจะพูดอย่างไรก็ได้ในบรรดาหลักการ ที่พระเทระทั้งหลายท่านได้นำมาบอกกับพุทธศาสนกชนเช่นหลักโอวาทาปฏิโมกในวันมาฆบูชาเมื่อวานทุกหลักเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาที่นำมากล่าวในแง่มุมต่างๆกันแต่ต้องโยงถึงกันให้ได้และต้องให้เป็นหลักที่ชัดเจนและปฏิบัติให้จริงจังไม่ใช่มองระราๆว่าอะไรก็ได้